มีผู้ชายคนหนึ่งเกิดเป็นเจ้าของร้านอัญมณีของที่ขายนี่ก็ <c oughs> เป็นของประดับราคาแพงวันหนึ่งก็ได้โทรศัพท์จากเพื่อนนะบอกว่าพรุ่งนี้จะมาซื้อสร้อยเพื่อมอบเป็นของขวัญนะวันเกิดให้กับแฟนสาวอยากให้ช่วยเลือกสร้อยที่ดีๆสวยงามเนี่ยให้หน่อย วันรุ่งขึ้นนะชายวันนี้ก็มาที่ร้า น, นเจ้าของร้านนี่ก็บรรจงเลือกสร้อยที่สวยงามราคา 500$ ดอลลาร์นะเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่อเมริกาแต่ว่าเพื่อเรียกว่าแสดงน้ำใจก็ลดราคาให้ 250$ ดอลลาร์เรียกว่าลดครึ่งหนึ่งเลย ลูกค้าเนี่ยตอนที่เห็นสร้อยเส้นนั้นเนี่ยก็ชอบนะแต่พอเจ้าของร้านเสนอราคาสองร้อยห้าสิบดอลลาร์สีหน้าก็เปลี่ยนไปเลยไม่อยากได้อยากได้สร้อยที่มันดีกว่านี้สร้อยที่มันดีมากๆตกลงก็ไม่ซื้อนะ แล้วก็เดินออกจากร้านไปเจ้าของร้านนี่ก็มานั่งพิจารณาดูว่าทำไมเพื่อนเนี่ยจึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นเสร็จแล้วก็รู้คำตอบแล้วรู้ว่าเหตุผลทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เลยโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยพรุ่งนี้มาใหม่นะจะหาสร้อยเส้นใหม่ให้ แล้วพอเพื่อนมาวันรุ่งขึ้นนเะจ้าของร้านก็เลือกสร้อยที่สวยคุณภาพทัดเทียมกันกันกบสร้อยของเมื่อวานและราคาก็เท่ากันดน้วนะห้าร้อยดอลลาร์พอลูกค้ามาก็ยื่นสร้อยอันใหม่ให้ เราก็บอกว่าเนี่ยนี่คือบอกว่าราคาเนี่ยห0ดอลลาร์นะเพื่อนเนี่ยนะพอเห็นสร้อยก็พอใจและยิ่งพอใจมากขึ้นนะเมื่อเจ้าของร้านบอกว่าอยากจะลดราคาให้นะเหลือ2 5 0ดอลลาร์เพื่อร่วมเป็นของขวัญ น, นะวันเกิด ของแฟนสาวของเพื่อนชายคนนั้นดีใจมากเลยนะดีใจที่นอกจากจะได้สร้อยที่มีคุณภาพดีสวยงามแล้วยังจ่ายแค่ครึ่งเดียวน่าสนใจนะสร้อยที่เสนอให้กับลูกค้าเนี่ยทั้งสองครั้งเนี่ยมันก็ งดงามคุณภาพงดงามแล้วคุณภาพก็เท่ากันราคาก็เท่ากันด้วยห้าร้อยดอลลาร์และทั้งสองครั้งเนี่ยนะลูกค้าก็จ่ายเพียงแค่2องยหิดอลลาร์แต่ทําไมความรู้สึกของลูกค้าครั้งแรกครั้งที่สองนี่ถึงต่างกันครั้งแรกนี่สีหน้าไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่เอาด้วยแต่ครั้งที่สองเนี่ยโอ้ย ดีใจนะแล้วก็กล่าวขาอขอบคุณขอบใจเพื่อนนะที่ช่วยเลือกของดีให้แถมลดราคาสิต้องสองครั้งเนี่ยนะมันเหมือนกันเลยนะแต่ความรู้สึกของลูกค้าไม่เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะลูกค้านี่ก็เหมือนคนทั่วไปนะเขามองว่าของแพงคือของดี ตอนที่เจ้าของเนี่ยบอกว่าสร้อยเส้นนี้ราคา210ดอลลาร์เนี่ยซึ่งจริงๆคือราคาลดลูกค้าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่พอบอกว่าสร้อยเนี่ยราคา500ดอลลาร์โอ้ยพอใจเลยเพราะเห็นว่าของดีมันต้องแพงไอ้210เนี่ยมันถูกมันก็เลย คิดว่าไม่ดีก็เลยไม่อยากซื้อไปให้แฟนแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยพอรู้ว่าเนี่ยหรือได้รับการเสนอราคาว่า5้าดอลลาร์ก็รู้สึกขึ้นมาเลยนะว่าเป็นของดีและยิ่งดีใจมากขึ้นนะที่จ่ายแค่ครึ่งเดียวเมืธรรมาชาติของเราเป็นอย่างนี้นะเรามักคิดว่าของแพงคือของดี เราอยากได้ของแพงแต่ในวเราเดียวกันเราก็อยากจะได้ของที่ลดราคามันเป็นความขัดแย้งกันนะเป็นความต้องการที่ขัดแย้งกันอยากได้ของแพงเพราะคิดว่าของแพงคือของดีแต่ก็อยากได้รับการลดราคาเพราะอะไรเพราะมันจะได้จ่ายน้อยมนุู้เราก็แปลกนะ เราบางครั้งชอบของแพงจ้าหน้าที่แพงก็หมายควต้องใจเยอะมีเพื่ออีกคนนึงเล่านะแกะขายเธอคอยในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วเธอก็พยายามทำหลายๆวิธีนะเพื่อทจะทำให้เธอคอยเนี่ยขายดิบขายดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดราคาไม่ว่าจะเป็นการเอามาตั้งไว้นิี่ที่มันโดดเด่นสะดุดตาลูกค้าแต่ขายไม่ค่อยออกเลยลด ร, ราคาอีกก็ขายไม่ได้ก็เลยนะหงุดหงิดผิดหวังบางเออเนี่ยจะต้องมีทุรลาบไปเมืองอื่น ส3าวันก็เลยบอกลูกน้องที่ขายเป็นพนักงานขายเนะี่ยบอกว่าไอ้เธอคอยทั้งหมดเนี่ยนะลดไปเลยครึ่งหนึ่งเพราะว่าฉันอยากจะโล่ให้หมดเลยนะเพราะว่าขวางอูขวางตานะลดไปเลยนัครึ่งหนึ่งแต่เธอใช้คาว่าหารสองนะเขียนเขียนเป็นกระดาษ ในกระดาษกระดาษฉีกกระดาษน้อยนะว่าหานสองนะทุกชิ้นเลยหลังจากเสร็จธุระจากต่างจังหวัดกลับมาพรากว่าของขายได้หมดเลยเธอคอยไม่เหลือหลอเลยนะรวมทั้งชิ้นอื่นด้วยเธอแปลกใจและประหลาดใจตรงที่ว่า ไอราคาของเธอคอยในยที่เธอบอกไว้หารสองเนี่ยลูกน้องเข้าใจผิดนะลูกน้องเข้าใจว่าคูณสองแล้วก็คูณสองจริงๆนะราคาที่วางขายเนี่ยลูกน้องเนี่ยคูณสองหมดเลยเพราะว่าขายหมดเลยแปลกนะลดราคานี่ขายไม่ออกแต่พอคูณสองนี่ขายออกเพราะหลายบาคนคิดว่าเนี่ยของแพงคือของดี อันนี้มากลายเป็นที่มาของเทคนิคการขายนะคนอยากซื้อของแพงแต่ก็อยากจ่ายน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามห้างอยู่จะเห็นนะมีของเนี่ยเขาจะบอกราคาสองราคาราคาที่ตั้งไว้เดิมเช่น100บาทกับราคาใหม่คือราคาลด50บาทต้องเขียนไว้ที่ป้ายนะ1้อย แล้วก็ลดเหลือ50ไอแบบนี้เนี่ยขายดีนะแต่ถ้าตั้งราคาไว้แค่ราคาเดียวคือ50นะขายไม่ค่อยออกนะต้องเขียนว่าราคาเดิมคือ100แล้วก็ลดเหลือ50เนะี่ยคนจะแห่ซื้อกันอันนี้เป็นจิตวิทยาที่ถ้าเราไม่เท่าทันตัวเองนะเราก็จะถูกพอค้าเขาหลอกนะ ลองเอาเงินของเราทั้งที่ของที่ซื้อไปบางทีก็ไม่ได้จาเป็นไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าซื้อเพียงเพราะว่ามันเป็นของถูกและที่ว่าเป็นของถูกเพราะว่ามันร า, ราคาที่ตั้งเนี่ยมันต่ำกว่าราคาเดิมบางทีถึงกับเท่าตัวเลยอนี้ย้อนกลับมาที่กลยุทธการขายของเจ้าของและอัญมณีนะ แทนที่จะบอกว่าราคาสองแทนที่จะบอกว่าราคา250บก็ บ, บอกว่าราคา500แต่ลดให้คุณเป็นพิเศษเลยเนี่ยเหลือ250ลูกค้ายินดีจ่ายมีความสุขที่จ่ายมันคล้ายๆกับเรื่องที่พูดเมื่อสองสามวันก่อนนะคนจอนจัดที่อยากจนเขียนป้ายไว้ข้างๆว่าผมตาบอช่วยผมด้วยเพราะว่าคนไม่ค่อยบริจาคเงิน ให้เลยนะแต่พอมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาเขียนใหม่นะว่าวันนี้สดใสแต่ผมมองไม่เห็นเลยว่าคนให้เงินใหญ่เลยทั้งที่ความหมายก็เหมือนกันนะคือว่าตาบอดแต่ว่าข้อความที่เปลี่ยนเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้จากเดิมไม่สนใจเลยทั้งที่ขอความช่วยเหลือกลายเป็นว่าอ๊ยอยากจะช่วย คนเราบางทีเนี่ยนะมันก็เนื้อหาเดียวกันนะแต่พอเราเปลี่ยนคำพูดเฉยใหม่ว่ามันมีความหมายที่เปลี่ยนมันมันสามารถทำให้คนมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปได้นะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรเป็นพลังของถ้อยคำเนี่ยซึ่งบางทีถ้าว่าเราไม่รู้เท่าทันมันก็สามารถจะกลายเป็นกลยุทธ์การขายหรือการกลยุทธ์ในการเรียกเงินจากเราได้เหมือนกัน แต่ถ้าเรียงเงินจากเราเพื่อช่วยคนยากจนนี่มันก็ยังดีกว่าเรียงเงินจากเราเพื่อไปเข้ากระเป๋าคนที่เขามีเงินอยู่แล้วนะ